7. ประเภทบุคคลที่ได้รับผลดีร้ายมนุษย์คนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยช่วงหนึ่งหนึ่งต้องมีนิสัยที่ตั้งมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่การวัดว่าใครดีหรือใครร้ายก็พิจารณาได้จากฐานและสีนของแต่ละคนหากจิตมีเมตตาชอบสละออกชอบให้ส่วนเกินของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นจัดเป็นพื้นฐานความดีงามอย่างสาคัญ แต่หากจิตคิดแต่จะเอามักโลภเห็นแก่ตัวคนอื่นไม่ให้ก็จดจ้องเพ่งเลงจะเอานั่นจัดเป็นพื้นฐานความเลวร้ายอย่างสำคัญหากจิตมีความละอายต่อบาปไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากลักทรัพย์ไม่อยากเป็นชู้ไม่อยากโกหกไม่อยากกินเหล้าเพียงเพราะเห็นโทษเห็นภัยในพฤติกรรมเหล่านั้นนั่นจัดว่าเป็นกรอบรักษาความดีงามอันมั่นคงแต่หากจิตไม่ละอาย ชอบฆ่าทั้งที่ไม่จำเป็นต้องฆ่าชอบขโมยทั้งที่ไม่จำเป็นต้องขโมยคบชู้ทั้งที่ไม่จำเป็นต้องคบโกหกทั้งที่ไม่จำเป็นต้องโกหกกินเหล้าทั้งที่ไม่จำเป็นต้องกินนั่นจัดว่าเป็นกรอบกักขังความเลวร้ายอันแข็งแรงเมื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งมั่นดีงามก็เหมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินดีมีคุณภาพ ย่อมขยายผลไพ่บู์เห็นผลงอกงามรวดเร็วในการปัจจุบันถ้าคิดถึงการทาบุญด้วยเงินกันอย่างเดียวคุณให้คนดีที่กำลังลำบากเพียงร้อยเดียวยังได้ผลมากกว่าให้คนเลวที่ลำบากเท่ากันหนึ่งแสเสียอีกอย่างไรก็ตามการช่วยคนที่ดีที่สุดไม่ใช่ด้วยเงินแต่เป็นด้วยธรรมะเพราะกฎหนึ่งของเกมกรรมก็คือการให้ธรรมะจะชนะการให้ทั้งปวง คุณสามารถเปลี่ยนคนเลวเป็นคนดีได้ด้วยการให้ธรรมะผลย่อมวิเศษมหัศจรรย์กว่าการให้ธรรมะแก่คนที่ดีอยู่แล้วหลายร้อยหลายพันเท่าเหมือนคุณช่วยให้คนสะอาดดูดีขึ้นไม่ได้มากกว่าที่สะอาดอยู่แล้วสักเท่าไรแต่ถ้าช่วยคนสกรปรกได้สะอาดขึ้นเขาจะสบายคนรอบตัวเขาก็ไม่ต้องทนกลิ่นเหม็นเน่าอีกต่อไปดังนั้นถามว่าการเข้าไปช่วยสอนคนคุก หรือการให้สื่อธรรมะกับคนคุกที่พวกเขาถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ออกมาหาธรรมะเองจะเป็นบุญมากหรือบุญน้อยต้องตอบว่าถ้าเจตนาตั้งต้นที่จะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกปรับดำให้เป็นขาวเพียงเท่านั้นคนคุกที่อาจยังมีใจเป็นทุศีลก็จะเป็นที่ตั้งของบุญใหญ่ให้กับคุณทันทียิ่งถ้าคุณสามารถเปลี่ยนความเห็นผิดของพวกเขามาเป็นความเห็นถูกได้ ก็แปลว่าคุณเอาเพชรขึ้นมาจากตมสร้างคนดีขึ้นมาจากศูนย์คนที่คุณจะได้รับย่อมเหนือกว่าสร้างเจดีย์ทองคําที่เปลี่ยนคนเลวเป็นคนดีไม่ได้เสอีกสำหรับพ่อแม่เป็นข้อยกเว้นพิเศษไม่ว่าจะดีเลวอย่างไรถ้าทำคุณกับพวกท่านก็ได้ผลเป็นความสุขความเจริญเราได้ชื่อว่ารู้คุณคนได้ชื่อว่าตอบแทนผู้ควรตอบแทน ได้ชื่อว่าใช้นี่อันควรใช้ตราบใดไม่ใช้นี่ตามสมควรตราบนั้นชีวิตย่อมเต็มไปด้วยแรงกดดันเมื่อใช้นี่พ่อแม่ด้วยความสุขมีความปราบเริ่มยินดีแรงกดดันย่อมแปลเป็นขั้วรตรงข้ามคือกลายเป็นแรงหนุนส่งให้ขึ้นสูงได้ยิ่งยิ่งขึ้นในแง่มุมที่ผู้รับผลเป็นพ่อแม่นี้อาจทดลองได้ง่าย ถ้าไม่คิดว่าจะลงทุนทําธุรกิจเพื่อเลี้ยงตัวอย่างเดียวแต่คิดว่าจะทําเพื่อให้พ่อแม่ได้สบายขึ้นหรือเพื่อให้ได้มีโอกาสตอบแทนพ่อแม่คุณจะพบว่าอุปสรรคและความลําบากในเส้นทางทําเงินลดลงมีความราบรื่นมีช่องทํากําไรมากขึ้นค่อนข้างทันตาเห็นและขอเพียงรักษาความตั้งใจกับตนเองเมื่อเกิดรายได้แล้วนํามาสมนาคุณพ่อแม่ตามสัตว์ คุณจะรู้สึกเหมือนมีแรงส่งอีกแรงหนึ่งให้ได้ดีมีสุขในการปัจจุบันแม้ไม่ร่ำรวยมากคุณก็จะไม่อยู่ในสภาพอัตคัดขัดสนเกินทนอย่างแน่นอนเพราะความสว่างอันเกินจากแรงกระตัญยูกะตะเวทีนั้นจะทำให้คนเมตตาและดึงดูดสิ่งดีมาช่วยอุดนุนเองความเป็นสงก็จัดเป็นอีกหนึ่งในข้อยกเว้นพิเศษเพราะหากถวายทานแด่สง ที่ประพฤติธธ ร, รมและอยู่ในกรอบวินัยอันดีแล้วผลจะขยายออกไปอย่างไม่มีประมาณคือไม่มีวันสิ้นสุดต่อให้เกิดอีกกี่ชาติกี่ภพก็ตามทั้งนี้ขอให้เข้าใจด้วยว่าการให้ผลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของสังฆทานนั้นหาใช่มาในรูปของการตกแต่งภพชาติให้คุณอยู่ในฐานะร่ำรวยล้นฟ้าตลอดไปแต่อาจหมายถึงการเป็นตัวช่วยหนุน ให้รุ่งเรืองบ้างตามเหตุปัจจัยประกอบอื่นๆหรือถ้าหากคุณพลาดพลั้งทาชั่วต้องตกประกรรมลำบากบุญก็จะช่วยพยุงประคองไม่ให้โซสซัดโซเสล้มตึงคลุกฝุ่นทั้งตัว 8. จํจำนวนบุคคลที่จะได้รับผลดีร้าย กลุ่มน้ำรวมกันทั้งถังมีพลังมากกว่าน้ำแก้วเดียวอย่างไรคนเรือนพันย่อมมีพลังมากกว่าคนคนเดียวอย่างนั้นใครสาดน้ำใส่คุณแก้วเดียวย่อมไม่หนักเหมือนเอาน้ำสาดคุณทั้งถังซึ่งก็เช่นเดียวกับการที่คุณใส่แรงกระทำเข้าไปในกลุ่มคนกลุ่มใหญ่คลื่นกระทบที่เป็นปฏิกิริยากลับมาย่อมรุนแรงกว่าที่คุณใส่แรงกระทำเข้าไปกับคนคนเดียวมากนัก การอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบคลื่นพลังสะท้อนของกลุ่มคนเข้ากับคลื่นสะท้อนของน้ำนั้นได้แค่ใกล้เคียงความจริงไม่ถูกต้องนักเพราะเมื่อคุณก่อกรรมกับกลุ่มคนต้องดูด้วยว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีสัสดส่วนของพานหรือบัณฑิตมากกว่ากันถ้ารอบบ้านคุณเป็นครอบครัวคนธรรมดาหาเช้ากินขําและคุณเปิดเพลงรบกวนโสดประสาทพวกเขาทุกวัน รู้ทั้งรู้ว่าชาวบ้านรําคาญหูก็ไม่สนเมื่อกรำเพลิดผลคุณอาจต้องเผชิญกับเรื่องจุกจิกรําคาญใจไปสามปีแต่หากเพียงทิศเดียวของบ้านคุณติดกับกุฏิพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพียงสองสาหลังและคุณเปิดเพลงรบกวนโสดประสานพวกท่านเหมือนกันรู้ทั้งรู้ว่าพวกท่านคงไม่เป็นอันปฏิบัติสมณธรรมเมื่อกำเพลิดผล คุณอาจต้องเดือดเนื้อร้อนใจอย่างสาหัสไป30ปีหรือกว่านั้นจำนวนปีของการให้ผลกรรมเกี่ยวกับหมู่สงดีๆนั้นมากอย่างเหลือเชื่อเพราะฉะนั้นกล่าวเพียงประมาณให้พอรับรู้ได้ถูกว่าเกินธรรมดาไปมากก็พอกรรมที่ทำกับมหาชนเรือนแสนเรือนล้านนั้นเปรียบเหมือนการเล่นกับน้ำทะเลหรือมหาสมุทร ทุกคนมีสิทธิ์เล่นน้ำมหาสมุทรแต่จะอยู่ดีหรือตายร้ายก็ขึ้นอยู่กับเล่นท่าไหนมีสติและวิธีการอย่างไรเมื่อกล้าหวังดีหรือหวังร้ายกับมหาชนเส้นทางกรรมของคุณก็มักผูกโยงกับมหาชนความหวังดีจะทำให้คุณเป็นคนมีชื่อเสียงในด้านดีความหวังร้ายจะทำให้คุณเป็นคนมีชื่อเสียงในด้านร้ายปัญหาคือคนเราไม่ได้หวังดีเพื่อคนอื่นอย่างเดียว เราก็ไม่ได้หวังร้ายเพื่อเอาเข้าตัวอย่างเดียวส่วนใหญ่คุณจึงเห็นคนมีชื่อเสียงได้หน้าบ้างเสียหน้าบ้างได้รับดอกไม้บ้างได้รับอิดบ้างชื่อหอมหวนกระจรกระจายบ้างชื่อเหม็นเน่าตลบอบอวนบ้างสำหรับโลกยุคปัจจุบันสื่อมวลชนจะเป็นอาชีพที่มีโอกาสเล่นกับมหาชนมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุตลอดจนสิ่งพิมพ์ทั้งหลาย และการถ่ายทอดระบบดิจิตอลก็สามารถบอกได้ทันทีด้วยว่ามีจํานวนผู้ชมช่องหนึ่งหนึ่งขณะหนึ่งหนึ่งมากน้อยเพียงใดเราทราบว่าข่าวสารกำลังเข้าหูเข้าตาผู้คนกี่หมื่นกี่แสนหรือกี่ล้านผู้กลุ่มบางเหียนหรือมีอำนาจตัดสินใจให้ข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงนั่นเองได้ชื่อว่ามีโอกาสบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อปวงชนอย่างสูงแต่ขณะเดียวกัน ก็เสี่ยงกับการแบกบาประดับประเทศหรือระดับโลกไว้บนบาด้วยเรื่องของมหาชนระดับโลกจะมีผลกับอะไรหลายอย่างเช่นโลกปัจจุบันมีคนใช้ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษมากที่สุดฉะนั้นหากเล็งแลเป็นนิมิตจะเห็นว่าอักษรภาษาจีนและอังกฤษใหญ่โตกว่าอักษรของภาษาอื่น เนื่องจากมีขนาดขยายผลบุญบาปใหญ่กว่าภาษาอื่นๆนั่นเอง